บทภาชนี390ร้อาน้ำมีสัตว์มีชีวิตภิกษุสําคัญว่ามีสัตว์มีชีวิตบริโภคต้องอบดับปาจิตตีน้ำมีสัตว์มีชีวิตภิสูจไม่แน่ใจบริโภคต้องอบดับทุกกฎน้ำมีสัตว์มีชีวิตภิสูจน์สคัญว่าไม่มีสัตว์มีชีวิตบริโภคไม่ต้องอบดับน้ำไม่มีสัตว์มีชีวิตภิกษุสําคัญว่ามีสัตว์มีชีวิตต้องอบดับทุกกฎน้ำไม่มีสัตว์มีชีวิตภิสูจไม่แน่ใจต้องอบดับทุกกฎ น้ำไม่มีสัตว์มีชีวิตพิสูจสำคัญว่าไม่มีสัตว์มีชีวิตไม่ต้องอาบัด